ฉันต้องยอมทำใจทใจต้องยอมเพราะว่าเธอจะไปฉันทำไงได้เพราะว่าเธอจะไ ป, เ พ, ะ เ, ะไปเพราะเธอไม่เข้าใจกับสิ่งที่ฉันทำลงไปมันรายมันแรยมันเลือกเกินที่ ฉันจึงยอมเข้าใจว่าใจมันเจ็บต้องทิ้งอะไรที่ใจต้องการจะเก็บเมื่อไม่มีเธอแล้วไงกับสิ่งที่ยังไม่เข้าใจอยากบอกให้เธอรู้ข้างในว่าฉันนี่ไงยังไม่เข้าใจ ยังไม่เข้าใจกับคำว่ารักนั้นมีความหมายอะไรกับคำว่าไปให้ไกล ห, าห้าแสนไกลกับคนเข้าใจที่แสนเลือนลางยังมืดมนกับการลองทนต้องทนอยู่ยาง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 ก่อนทำใจกับว่า